อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการธรรมารับอรุณซึ่งนำเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆเชา้าหลังจากที่เราเปิดสถานีก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะของวันเสาร์ที่20ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5้าขัมเดือน11ปีมะโรงนะคะซึ่งสำหร ในช่วงนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะหรือว่าส่วนใหญ่ที่ท่านเป็นพุ้สืาสนญญชนนั้นก็คงจะทราบกันดีลคะค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราก็จะมีการเขาเรียกว่ากินเจกันนะคะ <c oughs> ก็คือเรานําวัฒนธรรมหรือว่าการทําบุญอย่างที่พี่น้องชาวจีนซึ่งก็คือคนไทยเรานี่แหลคะค่ะ นะคะตอนนี้ก็ผสมกันเป็นหมดแล้วล่ะแล้วก็เราก็จะมีการเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือว่านับถืออะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็สรุปว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลที่เรากำลังเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธศาสนาช น, ช, นชาวจีนโดยแท้ เลยดั้งเดิมหรือว่าแม้แต่ชาวไทยแล้วก็แม้แต่บรรดาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นี่ค่ะเราก็มีการนิยมนะคะที่จ ะ, ะได้ทำบุญในเรื่องของการที่จะถือศีลกินเจแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันในช่วงนี้นะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นเวลา10วันที่จะทำให้ร่างกายเรานั้นเนี่ย อบอกว่าร่างกายดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้ผลูรณ์ด้วยนะคะดังนั้นในเช้าวันนี้ในะรายการธรรมระบรรณ์ก็เลยขอนำท่านผู้ฟังทางบ้า บ้านมากราบนมัสการคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจนี่แหละคะ่ะซึ่งก็คือเราก็จ ะ, ะงดไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยตามพุทธวจนะนั้นเนี่ยได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการกินเจแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเนี่ยอย่างไรบ้างเรามารับทราบในรายละเอียดจากการสนทนาหรือสักษาจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนะพระอาจารย์ของเราจากวัดป่าดอนหโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะซึ่งวัดนี้ก็ มีพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวาโซหรือท่านพระคูณสิทธิ์ทีภากรท่านเป็นเจ้า อ, อาวาสค่ะกราบน้ำพิการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาทุเจ้าค่ะช่วงนี้อย่างที่โยมเกลื่นนะเจ้าค่ะว่าคนก็อาจจะกินเจกันแม้แต่โยมเองก็ก็กินด้วยนะเจ้าค่ะเชื่อราคว่าเราได้บุญแหละเราก็ต้องพูดใีที่งามอะไรต่างๆแต่อยาก ขอให้อาความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลเจ้าข่าวว่าได้พูดถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือมีพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจอะไรต่างๆนี่อย่างไรไหมเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะคุณผานจริงๆโดยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะซึ่ ง, ง, งช่วงนี้เราก็ได้กําลังรับประทานอาหารเจอยู่เนี่ยอดมาก็ศ <c oughs> ึกษาพยายามที่จะค้นคว้าดูว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนจัดอื่นนะเนี่ย นะคือพระเจ้านี่ไม่สนับสนุนให้ทําอยู่แล้วนะการเบียดเบียนสัตว์อื่นนี่ไม่ให้ทำํำนะการเบียดการไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดุด้วยนะอยู่ในเรื่องของสัมมาสังกปะนะเปฉะนั้นคือสอนสาวกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพระคารวาสญาติโยบาโซบาสิกาใครก็ตามนะว่าอย่าเบียดเบียนกันอันนี้แน่นอนนี่คือคําสอนพระเจ้าน ะ, ะข้อที่2ก็คือพระเจ้าเนี่ยสอนในการที่ไม่ให้ฆ่าสัตวนะ์ไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่ก็คือเป็นศีลอยู่แล้ว นะเป็นศีในข้อสัมมาสังกปะเลยอยู่หนึ่งในมรแปดว่าคุณยาฆ่าสัตว์อันนี้แน่นอนใช่ไหมเป็นข้อแรกเลยนะเจ้าค่านะไม่ว่าจะจาเป็นฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ตามเถิดหมูแพะแกะไก่พวกนี้ไม่ให้ฆ่าอยู่แล้วยิ่งจดยเฉพาะยิ่งมดตัวเล็กๆอะไรพวกนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็ไม่ให้ฆ่านะระ บ, บุถึงความไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยของความปกติคือการไม่ฆ่าตรงนี้ด้วยเจ้านะค่ะ แล้วก็พระพุทธเจ้ายังไม่สนับสนุนให้ค้าขายเนื้อสัตว์นะคือจอะพูดไว้ในหมวดธรรมอันหนึ่งนะที่เกี่ยวกับอาชีพที่ไม่ควรทำํำนะที่ควรหลีกเลี่ยงนะไม่ควรทําก็หนึ่งในนั้นก็คือการขาค้าขายเนื้อสัตว์เพราะนั้นะเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วแต่ว่าไม่ได้ผิดศีลนะถ้าคุณจะค้าขายเนื้อสัตว์ก็ไม่ผิดศีลแต่ว่าเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงเนะพราะฉะนั้นโดยพุทธวัจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงสข้อเนี้วก็สนับสนุนอยู่ละวนะว่าในการที่จะไม่ คือมันไม่ไม่ขายอะถ้าเราไม่ขายมันก็ไม่มีคนซื้อกินะนะเนาะถ้าเราไม่เบียดเบียนไม่ค่ามันก็ไม่มีอาหารออกมาแน่นอนอะน ะ, <จ>ะทีนี้เรายังจะต้องมาพิจารณาดูตรงนี้ด้วยว่าอย่างพระสองฆ์อย่างเงี้ยคือคําสอนพระเจ้าเนี่ยน ะ, ะเขาเรียกว่ามีความหลากหลายมากคุณเตือนใจมีท่านเจ้า<จ> ค, คุณท่านหนึ่งที่วัดบรบร์เนี่ยท่านเคยบอกว่าแม่คาสอนพระเจ้าเนี่ยหลากหลายเหมือนกับ เอาแมคโครโรต้าเซเว่อะไรต่างๆมารวมกันหมดในที่เดียวกันเจ้าค่ะมีพร้ทุกอย่างเออมี <c oughs> ตั้งแต่สัคเบือยันเรือรบเจ้าค่ะคือมีทุกอย่างเพราะฉนั้นสามว่าเอาคุณต้องการเอาใช้ในหมดไหนแล้วก็มีสอนทั้งคารวาสก็ด้วยสอนทั้งพระสงฆ์ก็ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยผู้ช่าพูดถึงมากแปดถูกไหมทีนี้ <c oughs> ในในการลงไปในรายเหลี่ยดของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณทําหน้าที่อะไร <c oughs> นอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้ทํานาทําไร่ไม่ได้ทําอาชีพไม่มีเงิน ดังนั้นการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เนี่ยจึงต้องเนื่องด้วยผู้อื่นที่คอยเขาเรียกสนับสนุนแต่ต้องมีอุปถากรางกันเถอะดัะน <Okay. S 2> ั้นถ้าความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เนี่ยทำให้เราบางเห็นบางคนว่าเอ๊ะทำไมในเมืองไทยพระสงฆ์ยังกินเนื้ออยู่ในขณะที่ประเทศจีนเขาไม่กินอย่างเงี้ยนะพระพุทธ <Okay. S 2> เจ้าก็เลยมองดูตรงนี้ว่าจริงๆแล้วพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นเพดัะนั้นจึงต้องมีอีกคุณสมบัติหนึ่งเขาเรียกว่าความเลี้ยงง่ายในะความที่เลี้ยงง่าย ดังนั้นพระพุทเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าพิกษุนะถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยห้าอย่างเนี่ยสิบอย่างเนี่ยที่ไม่ควรกินนะก็มีเนื้อเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อสัตว์ป่าพวกเนี้ยเป็นต้นเนี่ยนะสิบชนิดเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ห้ามรับประทานนะคือถ้าเขาเอามาเรารู้ว่าเป็นเนื้อหมีอย่างเงี้ยเป็นอุ้งตีนหมีเนี่ยแล้วก็คือผ่านเลยไม่กินค่ะเจ้ค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นเนื้อเสือเนื้องูลูกชิ้นหมาอย่างเงี้ยก็ไม่กินผ่านนีอันนี้คือห้าม <Okay. S 1> ห้ามรับประทานเลยถ้าฉันนี่เป็นอาบาดด้วยเป็นความผิดเลย <Okay. S 1> นะแล้วก็ยังมีเนื้อสัตว์อีกสามประเภทที่บุญช่างไม่ใรับประทานนอกจากสิประเภทนั้นแล้วนะก็คือเนื้อสัตว์ที่เราเห็นว่าเขาฆ่าเจาะจงเพื่อเราฆนะ่าเจาะจงอย่างเช่นว่าถ้ามีคนพูดว่าอ่าท่านวันนี้เดี๋ยวจะไปตกปลามาให้นะมาให้พระฉันพระมาเห็นเอาเขาเสิร์ฟปลามาให้ พระก็ต้องสงสัยเราว่าสงสัยคนนี้เขาฆ่าเพื่อเรานะแล้วก<ช>็วเดินผ่านไปพอดีเห็นเขาวางทันเบ็ดอยู่เอาแน่นอนเลยเห็นด้วยตาอย่างเงี้ยต้องไม่กินหลือปลาตัวนั้นกินไม่ได้ละอืนี่เป็นสิ่งของพระนะนี่คือนี่คือกําลังพูดถึงความเป็นอยู่ของพระนะอ อ, อีกข้อหนึ่งคือได้ยินนะคือไม่ได้ได้ยินได้เห็นนะสองข้อนี้ได้ยินได้เห็นว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราอันเนี้ยห้ามกินนะพระห้ามรับประทานเลยแล้วข้อที่สามก็คือด้วยความสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเรา แล้วก็ห้ามรับประทานสมมุติว่าเข้าไปเดี๋ยวนี้พักทานซีฟู้ดเนี่ยนะเขาจะมีปลาตั้งเป็นปลาอยู่ในตู้นะตั้งอยู่หน้าหน้าหน้าพัตทารเขาเนี่ยนะเราเห็นเดินเข้าไปเห็นปลาอยู่ในตู้ตัวหนึ่งอระหว่างก่อนที่เขาจะมาเสิร์ฟเดินไปห้องน้ํำอ้าปลาหายไปแล้วะแล้วก็มีปลาตัวหนึ่งมาวางในจานหน้าโต๊ะพอดีอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องสงสัยแล้วเฮ้ยสงสัยปลาตัวนั้นแน่เลยเขาคาดชะวัดจ่อจงพวกเราเพราะนั้นปลาตัวนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ละสําหรับป้าจบค่ะ นนเป็นอบาบัตนะเจ้าค่ะอ่านี่คือความเป็นอยู่ของพระนะว่าพุทธเจ้าก็นสนับสนุนอยู่ละแต่ในขณะเดียวกันคุณตนใจเราต้องต้องทําความสมดุลในการปฏิบัติด้วยนะคือพรุทธเจ้าเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พระเทวทัตเนี่ยมาขออนุญาตว่าอา้าขออนุญาตนะว่าถ้าพรภิกษุเนี่ยรูปใดฉันเนื้อสัตว์จากนี้ไปเนี่ยให้เป็นอาบัตนะเป็นความผิดที่จะต้องมาประกาศเป็นความผิดปรับความผิดนะพุทธเจ้าให้อนุญาตคุณตัใจไม่อนุญาต เจ ค, คือพร ะ, ะเจเาอุทัศเนี่ยมีก็เรียกว่ามีวารัส่อนแฝงว่าต้องการใช้เหตุเนี้ยเพื่อทําให้สองแตกกั น, นเพื่อที่ให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนเคร่งกว่าจะจะดึงหมู่พิกษุมาประกาศเป็นอิสน า, สาศาสนาหนึ่งเป็นอีกนิกายหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะโดยใช้เหตุเรื่องของเนื้อสัตว์ว่าทําตัวว่าตัวเองเคร่งในการไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งหมดนัะแต่พระเจ้าไม่อนุญาตคุณเตจอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเทําไมพระเจ้าสนับสนุนทั้งไม่ให้ฆ่าไม่ให้ฆ่า นะให้หลีกเลี่ยงการค้าแล้วก็เนื้อสัตว์สีประเภ้ก็ไม่ให้รับประทานยังรวมถึงถ้าสงสัยว่าเขาฆ่าได้ยินหรือได้เห็นว่าเขาฆ่าเนี่ยก็ก็หลีกเลี่ยงไม่กินเนี่ยแต่ทําไมไม่อนุ ญ, ญาตให้อ่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์เลยคือปรับเป็นความผิดเลยนะคือคําว่าหลีกเลี่ยงกับปรับความผิดนี่มีความแตกต่างในเรื่องของโทษคุณจะจรเนี่อไหมเจ้าค่ะอย่างสมมติโทษบางอย่างในโลกเนี่ยเขาแค่ปรับเฉยๆแต่ไม่จําคุก นะหรือว่าทําครั้งที่หึงครั้งที่2อคุณตักเตือนเฉยเฉยจนครั้งที่3ามั้งที่สคุณถึงค่อยปรับอย่างเงี้ยนเะช่นเดีวยวกันอย่างสมมุติถ้าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปรับความผิดเนี่ยคือคุณต้องมีความผิดล่ะแต่ถ้าให้หลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงซะยังไม่เป็นความผิดยังไม่หนักมากนะทีนี้ทําไมพุทธเจ้าถึงไม่ไม่อนุญาตนะว่าเออทั้งนั้นกินเจหมดเลยภิกษุในธรรมะในนี้ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์กครรับประทานนี่เป็นอาบัตก็ไม่เป็นอย่างนั้น น้าธรรมะจึงมองเห็นมุมนี้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของพิกษูดนี่มันเนื่องด้วยคนอื่นนะับบางคนที่เขาสะดวกในการทําลาบหมูก็มีอ่ะน้ามันก็ไม่สะดวกในการที่จะทำอาหารมังสวิรัตอย่างนี้เป็นต้นนะนะชีวิตของเราเนื่องด้วยเขาเนี่ยมันก็จึงต้องมีการ เ, าเขาเรียกว่ายืดหยุ่นพอสมควรนะ้แต่อย่างไรก็ตามที่ห้ามๆเลยเนื้อสัตว์สิประเภทที่ห้ามๆเลยถ้าเขาสงสัยได้เห็นได้ยินว่าเขาคาดเฉวาะเจาะจงพวกเหล่านี้หลีกเลยผ่านเลยอดเล ย, เลยมื้อนั้นถ้ามีแต่อาหารประเภทนี้คุณอดเอา นี่คือคือลักษณะของพระสงฆ์นะเจ้าค่ ะ, ะทีนี้ย ม, อ, มอยากจะขออนุญาตกลับเรียนถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะว่าสัตว์ทั้งสิบประเภทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระพิสุทฉันนี่ ด้วยเหตุผลอันใดเจ้าคะยมเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพิสุกในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเดินจาริกไปในป่าอะไรต่างๆซึ่งก็คงจะต้องอาศัยพึ่งพาสัตว์เหล่านี้ที่ว่าไม่มาทําร้ายกันและกันใช่ไหมเจ้าคะ เ, เหตุเนื่องด้วยการห้ามก็คือว่าคือพิกสุกเนี่ยไปฆ่าไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมตอนนีการ<ะ>การรับประทานอาหารของพิสุกการสแสวงหาอาหารเนี่ยก็ด้วยการไปบิณฑบาด ท, ทีนี้พอไปบินตาบาัดปุ๊บระหว่างไปบินฑบาตเนี่ยมีคนใส่เนื้อเนื้องูมาให้พระก็ฉัน นะปรากฏว่าพระฉันตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศกฎข้อนี้นะเพอ <c oughs> พระฉันปุ๊บ ก, ก็มีคนติเตียนว่าเอ้าทำไมไปกินเนื้องูพอเอาติเตียนปุ๊บ ก, ก็เลยไปฟ้องรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาเหรอถ้างั้นเนื้องูก็ไม่กินละกันนะเนื้อหมีก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีคนเอาหมีเนื้อหมีใส่บาตให้มีคนเอาเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือโครงเนื้อเสือดาวพวกนี้ใส่บาตให้ใส่บาตใส่บาตให้พระก็ฉันฉันก็เลยเป็นเรื่องว่าเขาติเตียนนะนะพอเขาติเตียนพระพุทธเจ้าก็เลยประกาศว่างั้นไม่ต้องกินละกัน นะอดไปสักเนื้ออย่างหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะ ก, ก็เพราะมีคนติเตียนแล้วนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าอามันมันเป็นอะไรอน่นะอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะคืออาจจะเป็นสัตว์ที่คนเขานับถือกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใ น, ใ, นในกลุ่มคนนั้นแล้วเข้ามาฟ้องพระรเจ้าจึงเป็นเหตุให้มีการบัญญัติวินัยข้อนี้ท่านนั่นเองเจ้าค่ ะ, อ, คะอันนี้ก็คงเป็นไปอย่างที่พระอาจารย์เคยเล่าว่า แต่ก่อนธรรมวินัยนี้ก็ไม่ได้มีมากเท่านี้<ช>แต่ว่าพระพุทธองค์ก็จ ะ, ะมีธรรมวินัยออกมามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเหตุการณ์ว่าใครมาติเตียนใครมากล่าวอะไรต่างๆใช่ไห ม, มเจ้าคะถูกต้องถูกต้องสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าคะ่ะทีนี้ประเด็นถัดไปเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารตรงนี้ก็คือว่าเราต้องต้องทําให้สมดุล น, นะประเด็นที่อธิมาต้องการจะพูดตรงนี้คือบ้านหนึ่นการไม่เบียดเบียนคุณห้ามห้ามเลยห้ามทำแน่นอนอันนี้พระเจ้าสอนข้าไม่ได้ นะครับพวกนี้เราเราพูดไปแล้วในขณะเดียวกันนะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะต้อง เ, อเรียบง่ายนะไม่ยุ่งยากด้วยสิ่ ง, เ ร, งเรื่องปากเรื่องท้องนะผู้เช่าเนี่ยบอกเน้นย้ามากเลยเรื่องให้อยู่ง่ายกินง่ายนะแล้วก็เรื่องปากท้องอย่าให้มีปัญหามากนะถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยจะก้าวหน้าได้เร็วว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในในเรื่องนี้จึงต้องทําความสมดุลนะคาราวาสคือพระนี่มีกฎตายตัวละ นะเนื้อสัตว์สิอย่างก็ตามอาหารที่เาขาฆ่าเฉพาะจอด จ, จงสงสัยได้ยินว่าเาขาค่าเฉพาะจะด จ, จงก็ห้ามนะแต่สําหรับค่าวราว่าเนี่ยไม่ได้มีกฎข้อนี้แต่เพดัะนั้นเราต้องทําความสมดุลของเรานะเราอย่าให้อตรงนี้มาเป็นข้อจํากัดในในการดํารงชีวิตของเราว่างเัเถอะจึงต้อ ง, องนํามาถึงประเด็นตรงนี้ว่าถามว่าคุณรัฐประธานอาหารมังสวิรัตเนี่ยหลายๆคนก็ให้เหตุผลในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมสุขภาพว่าเออมันดีต่อร่างกายนะ เออมันก็ล้างท้องล้างร่างกายให้สะอาดอะไรต่างเนี่ยนะจ้าค่ะซึ่งงนี้ธรรมาจึงต้องพูดถึงประเด็นนี้ว่าคุณล้างร่างกายล้างท้องเนี่ยสมมุติตัวเราสกปรกใช่ไหมเราก็ไปอาบน้ำสองครั้งต่อวันบางคน3ามครั้งในอินเดียเนี่ยเขายังมีพิธีการที่ว่าลงน้ํามันละสามรอบเพื่อให้ชาระกิเลสเออกจากร่างกายมีวิธีที่ว่าเอาตัวไปย่างบนไฟเพื่อให้กิเลสมันหายไปอย่างเงี้ยนะนี่คือล้างร่างกายภายนอกผิวหนังทีนี้ในในท้องเราเนี่ยในท้องเนี่ย ก็มีกระบวนการที่เรียกดีท็อกซ์ใช่ไหมถ่ายวัชระออกเอาอาหาร<ช>ดีๆเข้าไปล้างน้ําล้างน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื<ช>่อให้ข้างในมันสะอาด<ช>แต่มันก็ยังคือในส่วนของร่างกายนะคุณเตจัยนะถามว่าคุณทําความสะอาดร่างกายไปเพื่ออะไรแล้วจิตคุณสะอาดหรื อ, อยังนะคุณล้างใจด้วยหรื อ, อยังนะพระเจ้าเนี่ยเน้นเรื่องการปฏิบัติในใจเนะพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นต้นเนี่ยคุณล้างกายแล้วแล้วใจละ่ะคุณดูแลไหม เขาจึงมีการพูดถึงนอกจากกินเจแล้วจะมีการถือศีลใช่ไหมถือศีลเนี่ยเป็นการล้างใจยอย่างหนึ่งนะด้วยการเอาข้อปฏิบัติทางวาจาข้อปฏิปัติทางกายเนี่ยมาล้างใจนะคือคือบางคนเนี่ยเราจะมาเห็นหลายๆคนคุณเดินใจเ<ช>ขารับประทานอาหารมังสวิรัตนะแต่เขาไปทําแป้งชนิดหนึ่งที่มันเหมือนกับข้าวหน้าเป็ดเนี่ยแล้วบอก<ช>ว่า น, นี่<ช>คือข้าวหน้าเป็ดเจอย่างเงี้ยนะอันนี้คือไข่เจอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือลาบเจอย่างเนี้ยแต่มันเหมือนมากไม่ใช่เหมือนแค่สีสันอย่างเดียวรสชาตินี่เหมือนแป๊ะเลยบางทีบอกไม่ออกว่า น, นี้คือเออไก่ทอดเจนะโอ้โห oh, ดูไม่ออกเลย <ผม S 1> คุณจ้นใจกรุงเทพมีเยอะมากจ้ะเออแล้วถามว่าเออแล้วเราเราเราทาไปยังไงล่ะคือหมายความว่าจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารเจนี่คือเพื่อที่ให้จิตเราบริสุทธิ์ใช่ไหมถามว่าจิตคุณบริสุทธิ์แล้วคุณทําข้อปฏิบัติเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์ไหม อันนี้าานต้องถามตัวเองนะอืมอันนี้เป็นคําถาทมที่ดีนะเจ้าคะข้อปฏิบัติที่ทําให้จิตคุณบริสุทธิ์คืออะไรคุณถามตัวเองคุณรู้เปล่าถ้าคุณไม่รู้อ้าพระพุทธจามีคําตอบให้นะก็คือศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้จิตของคุณบริสุทธิ์นะคุณจะรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์หรือรับประทานอาหารอ่าที่เป็นมังสวิรัตหรือไม่ใช่มังสวริรัตก็แล้วแต่เถอะนะแต่ถ้าคุณทําจิตให้บริสุทธิ์อันนั้นดีนนนะะเเพรรราาว่่่คมมัจบิิสุทธ์หรือไีย มันไม่ใช่ชาติกําเนิดคุณเตือนใจมันไม่ใช่สิ่งที่เราเอาเข้าไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่สลําหรืออยู่เครือห่าใหญ่โตไม่ ว, ว่าคุณผิวขาวหรือผิวดําผิวผมแดงหรือผมดํามันไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ว่าจิตคุณต่างหากว่าสะอาดไหมคุณมีวาระซ่อนแฝงอะไรในการรับประทานสิ่งนี้ทําสิ่งนี้หรือว่าคุณมีการกระทํำยังไงที่ว่าเราจะทำไงให้จิตของเราสะอาดนี่คือประเด็นนะครับผู้ชาลองมาหมดแล้วคุณือใจเอ้ยทำปุ้ยยี่ปู้ยาําร่างกายทุกอย่างโอดอาหารบ้าง กินมากบ้างตั้งแต่สมัยก่อนที่บวชนะกินมาก <Okay. S 1> มีความสุขทุกอย่างนะทำให้ตัวนอนบนน้ำเอาตัวทําให้ร้อนเพื่อที่จะพยายามให้กิเลส ท, ทางกายออกไปเหมือนอย่างเราพยายามทําอยู่เนี่ยนะรัฐประธานอางมาร์ซิบรัสเพื่อให้จิใจร่างกายของเรามันดีบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วใจละ่ <Okay. S 1> นะแล้วใจละ่ะเราเราทําให้ใจบริสุทธิ์หรื อ, อย่างคุณรักษาศีลไหมศีลนะเนี่ยก็คือว่า เ, เรามีข้อปกติในการไม่ด่า ก, กันไม่ว่า ก, กันนะคือบางคนเนี่ย เอ่อรับประทานหารมังสวิรัติก็จริงแต่พอเขาเอาอะไรมาปนนิดนึงแล้วโอ้โหวีนแตกขึ้นมาเลยเนี่ยนะ <c oughs> มันก็จะไม่ถูกอะ ก, ก็จะมิฉาวาจา้์จะผิดสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> นอกจากรักษากายรักษาป่าของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ด้วยการไม่กินเนื้ออันนี้ก็คุณสามารถทําได้เหละไม่ว่าอะไรในขณะเดียวกันจิตละ่ะนะเรามาต้องเน้นสิ่งที่พระเจ้าสอนคือเรื่องของจิตนะคุณนุนใจเจ้าค่ะ แล้วก็เราต้องล้างใจด้วยข้าวบริบัต์คือด้วยคือมักนั่นเองนะทีนี้อาหารการกินเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งนะอาหารการกินที่เรากินทุกวันวันละกี่มื้อก็แล้วแต่เนี่ยนะบางคนก็4ี่ห้มือนะก็ไม่รู้ละ่ะทีนี้พอเขารับประทานอาหารไปเนี่ยอันนี้คือข้ออาหารที่คุณกินตอนนั่นงแล้วถามว่าของเครื่องใช้อย่างอื่นล่ะถ้าเราพูดถึงความไม่เบียดเบียนเราพูดถึงการที่จะต้องมาคอยเป็นอยู่คอยลำบากเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยแล้วเรื่องของใช้ล่ะ นะคุณมีกระเป๋าหนังหรือเปล่าว่าคุณนําจากหนังนะหนังนี่หนังอะไรหนังวัอวอ้าวแล้ววัวตายไหมคุณเอาหนังเข้ามาหนี่ง ห, หรือว่าคุณจุดเทียนคุณจุดเทียนนี่เทียนทํามาจากอะไรไขมันสัตว์หรือเปล่อาอ้าวแล้วสัตว์ตายไหมแล้วับเอาไขามันเข้ามานี่นะคุณดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราอะ่ะคุณใช้อะไรบ้างในะที่มันเบียดเบียนสัตว์หรือเปล่าโอ้ยมันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นมีความเป็นอยู่ยากนะคุณเดินใจเนื้อหมายถ้าถ้าเราไป คอยวุ่นวี่วุ่นวายเจ้ากิจเจการตรงนี้มากเกินไปเนี่ยทำให้เรามีแต่ความร้อนใจร้อนใจร้อนใจ ก, นาการปฏิบัติของเรที่จะสุขใจนะอ่าใช่การปฏิบัติขอเราก็จะไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเน้นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตนะคือคืออาหารการกินอ่ะถ้าเขามีเราก็กินได้แต่ถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเราก็ปฏิบัติทางจิตให้มันบริสุทธิ์นะแม้พระสงฆ์เองอย่างเงี้ยเรามาเห็นความที่สอดคล้องกันอย่างพระสงฆ์เมืองไทยเนี่ยเราไปบิณฑบาตอะไรมาก็ก็กินตามนั้นใช่ไหม ในช่วงการปฏิบัติที่หลักสูตรการหลีกเร้นที่ประ ป, ระประัตตานิโสกเราก็มีอาหารมังสวิรัตให้นในขณะเดียวกันในช่วงปกติเราก็รับประทานอาหารธรรมดาแต่ว่าข้อบรียกของเราที่จําเป็นจะต้องทำเนี่ยคือทําจิตยังไงให้สะอาดนะจิตตรงนี้สําคัญมากามีหลายหลายครั้งเลยแม้แต่กระทั่งศรีหัเสนาบดนะีที่เป็น เ, เสนาบดีของพระพุทธเจ้าะนะในสมัยตอนที่เมืองกบิลพัทเนะี มีเสนาบดีคนหนึ่งที่ตอนนั้นในเล่าเนี่ยในท้องเขาเนี่ยยังมีสุราอยู่เลยยังเมาเอา้อกอเอ้เอกออย่างเงี้ยแต่ก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยจิตที่ปล่อยวางความกังวลตรงนั้นไปเพนะราะฉะนั้นอย่างความกังวลในเรื่องปากท้องก็อย่างหนึ่งความกังวลในเรื่องการดำรงชีวิตก็อย่างหนึ่งอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่านะเราก็ถือว่ามีความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งละเนาะอ่อะนะ ในขณะเดียวกนเราก็ไม่เบียดเบียนจิตใจของเราด้วยนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องอไม่ใช่ว่าจะกินเจหมายถึงว่าด้านของวัตถุอย่างเดียวนะเจ้าค่ะใช่แต่ว่าต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วย อ, อันนั้นก็คือว่าล้างทั้งกายและก็ใจเนี่ยก็จะทำให้เราได้อานิสงส์ผลบุญเต็มตามที่เราปรารถนานะเจ้าคะถูกต้อง <Okay. S 2> แล้วเรื่องของการฆ่าเนี่ยถ้าคุณบอกว่ า, าไม่รับธานาหานที่ตามาจากเนื้อสัตว์เพราะว่าไม่ต้องฆ่ า, าถ้าเราไปเปรียบเทียบอย่างเร า, เาพระเจ้าเคยบอก ก, ยกการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นมหาทา น, หนมหาทานเพราะว่าเราให้ชีวิตเขานะอย่างสมมุติเราเราไปปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยโคกระบือเนี่ยเขามีใช่ไหมา <Okay. S 2> บางคนเขาจะติดป้ายไว้ว่าให้วัวควายววโคกระบือเนี่ยพ้นจากความตายชะพนาโดยสม ม, ต, <ะ>ส ม, มติว่าเราไปช่วย อ่าใครสักคนในคนหนึ่งให้พ้นจากความตายนะสมมตุติหรือว่ามีคนมาช่วยเราให้พ้นจากความตายแล้วมีคนมาช่วยเราให้พ้นจากความตายอย่างเราจะถูกรถชนมีคนมาผลักตูม้มเนี่ยให้เราหลบออกจากวิธีของกระสุนหรือวิธีของรถได้เนะี่ยแม่เราเป็นหนี้บุญคุณคนนั้นตลอดชีวิตเลยนะในชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนนั้นเลยว่างั้นเถอะนะหรือว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ประครบประงมเลี้ยงดูเรามาคอยให้อาหารแสดงโลกนี้แก่เราเนี่ยชีวิต ท, ทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นบุญคุณของพ่อแม่หมดเลยนะ คือเหมือนกับว่าท่านเป็นเจ้าของเราทุกอย่างทุกเซลล์ในร่างกายของเราเลยนะทีนี้ถามว่าคนที่ช่วยชีวิตเราขนาดเนี้มีบุญกุลก็มหาศาลนะทีนี้ว่าตรงนี้จึงเป็นมหาฐานนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสมมุติเราไปช่วยวัวควายเนี่ยให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าคือเขาไปเข้าโรงฆ่าสัตว์นะหรือคนมาช่วยชีวิตเราให้พ้นจากความตายฉพาะหน้าคือถูกรถชนหรือว่าถูกวิธีกระสุนเป็ตน้นนะแต่ว่าก็ไม่อาจจะช่วยเราจาก ความตายคืออุบัติเหตุอย่างอื่นๆได้เนาะคือบางทีอาจจะถูกรถชนตายหรืออุบัติเหตุอื่นๆเอาไม่เป็นไรเขาช่วยเราเราไปช่วยบัวควายก็ตามด้วยการเอาไปเก็บไว้ในที่ที่มีความปลอดภยัยเช่นอยู่ในหมู่บ้านที่ดีบ้านมีอยู่ในสังคมไฮโซแล้วก็แบบทุกอย่างรู้ราฟุ่มฟ้าหมดนะีไม่มีภัยอันตรายจากสิ่งรอบข้างนะแต่มันก็ยังมีเสี่ยงจากภายัยจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นโรคหัวใจตายโรคปอดตา ย, ตายบัวควายก็เป็นโรคมะเร็งก็มีนะีตายาก็ได้อา้า ไม่เป็นไรเราเขาก็ช่วยเรานะเราไปช่วยวอรควายด้วยการให้ยาอย่างดีกินยาอย่างดีนะไม่มีความไม่ภัยจากความตายในเรื่องของโรคภัยแย่เจ็บเลยแต่มันหนีภัยจากความตายคือความตายตอนมันหมดอายุไขมันไม่ได้นะเจ้าค่ะเข้าใจไหมทีนี้พอเราคุณห น, นีจากความตายจมหนออายุไขไม่ไนดะ้ยังไงมันก็ตายอยู่ดีอ่เจ้นะแต่ถ้าเผื่อว่าเราช่วยให้จากความตายนี่คือตายชาติเดียวนะคุณตใจยังไม่นับว่าชาติต่อไปคุณเกิดม า, ค, ดมาคุณตายอีก นะคุณเสี่ยงต่อความตายไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเกิดตายไปจริงๆเสี่ยงไม่ไหวหลบไม่ไหวตายจริงๆแล้วเกิดชาติต่อไปคุณโดนอีกนะเกิดชาติต่อไปคุณโดนอีกเกิดชาติต่อไปคุณโดนอีกโ ด, โดนอีกโดนอีกโดนอีกอย่างเงี้ยมันโอ้โหอนเอกนกชาติเลยนะที่จะต้องตายแล้วตายอีกที่นสสงี่ถามว่าคุณช่วยเขาเนี่ยคือชาตินี้เท่าเเดียวท่านั้นเองนะคะแต่ธรรมะของุระเจ้านี่สมมติโสวดบัณคุณเป็นสวดบัณคุณปฏิบัติคุณช่วยคนอื่นใช่ไหม แล้วถามว่าเราช่วยตัวเราเองเนี่ยให้พ้นจากความตายหรือยังนะสมมติเราช่วยวัวช่วยควายให้พ้นจากความตายเรากินอาหารเจกุ้งไม่ตายไก่ไม่ตายนมันแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้าเราช่วยตัวเองให้เราเป็นสวดะบันเราช่วยเราตัวเราเองจากความตายเป็นอนเนกชาติเพราะว่าอะไรเราเกิดอีกเลยนะเกิดอีกแค่เจ็ดชาติเท่านั้นเองจากชาติที่แปดจนถึงชาติที่อนันต์จากชาติที่แปดจนถึงชาติที่อเนกเนี่ยเราไม่ตายกแล้ว โอ้โห<ช>อันนี้เป็นมหาทานจริงๆเลยนะคุณช่วยสัตว์เอคุณช่วยตัวเองหรือย่างนะให้พ้นจากความตายแล้วถามว่า<ช>คุณช่วยชีวิตตัวคุณเองให้พ้นจากความตายคุณไม่ได้บุญเนาะได้แน่นอนนึกออกไหมเหมือนเรา<ช>เราเราช่วยใครสักคนหนึ่งให้พ้นจากความตายเราก็ได้บุญเราช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายแล้วไมเราจะไม่ได้บุญเจ้าค่ ะ, คะนะเพราะนั้นเราจึงควรจะต้องช่วยตัวเราเองเนี่ยให้พ้นจากความตายเป็นอเนกชาติได้บุญมหาศาลเลยนะ คนที่ช่วยเราให้พ้นจากความตายเป็นอนเอกอนเอกอนเนกอเนกชาติเนี่ยนะโอ้ยิ่งมีบุญคุณต่อเรามากนั่นนั่นคือธรรมะของพรนะุทธเจ้านะนั่นคือพระพุทธเจ<บ>้าที่<า>เอาธรรมะว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปตายอีกชาติที่8ดนะโอยแต่ถ้าคุณทําดีมากขึ้นนะคุณตายอีกแค่2ชาติเท่านั้นเองนะชาติที่3ามจากถึงชาติที่อนเนกคุณไม่ต้องตายแล้วนะโอ้ยอย่าพูดเลยถ้าคุณปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์นะศีล ส, สมาธิปัญญาคุณสมบูรณ์คุณตายชาตินี้เท่านั้นเองนะคือจบแล้วนะไม่มีการตายรรอีกแล้วนะ โอ้โหได้ผลมากจริงนะเจ้าค่ะเพราะถ้าเผถ้าเผื่อว่าเราไม่เกิดอีกนะเจ้าคะเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนใครอีกเลยถูกต้องแต่ตัวเองนะเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการที่ไม่เบียดเบียนนี่แหละคือคือจุดสุดยอดที่สูงที่สุดของคําสอนในพระพุทธเจ้านะคําสอนของในศาสนานี้เพราะนั้นการที่เราไม่ต้องเบียดเบียนเอ๊ะทำไงเราจึงต้องไม่ต้องเบียดเบียนก็นี่ไงเป็นเรื่งบุคคลนะเราไม่ต้องเบียดเบียนไปอีกมากเลยมันมันอเนกชาติมันน้ำไม่ท่วงจริงๆรง เพราะนั้นอามาจึงต้องการนําเสนอประเด็นสามประเด็นตรงนี้สรุปตรงนี้ให้ฟังเลยนะว่านอกจากคุณรับประกานอาหารที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยนะคุณช่วยให้ พ, พ้นจากความตายเฉพาะหน้าแค่ในชาตินี้นะในขณะเดียวกันเราจะทํายังไงละ่ะถึงจะช่วยคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองให้พ้นจากความตายที่เป็นอเนกชาตินะไม่ใช่แค่สัตว์สัตว์นี่มันบรรลุทําไม่ได้เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นไหมยอย่างเราจะทำทานนะคุณตือนใจ แล้วถ้าเราทำทานเราเทคุณเทน้ำํำล้างจานอาหารเจของคุณเนี่ยลงไปในบ่อ น, น้ําต้มนะหวังว่าตัวอะไรเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆที่อยู่ในนั้นมันจะได้กินเนี่ยอันนี้เป็นทางมามแห่งบุญแล้วนะคุณช่วย ช, ชีวิตมันได้วันหนึ่งนะเพราะคุณให้อาหารมันใช่ไหมจุก ค, ค่ะนะถ้าคุณช่วยคนทุศีนก็ได้บุญมากขึ้นอีกนะคุณช่วยคนทุศีนให้พ้นจากความตายนะเพรช่วยคนทุศีนให้พ้นจากความตายบางทีมันมาเบียดเบียนเราอีกนะแต่ถ้าเราช่วยคนมีศีนให้พ้นจากความตายบางทีเขามาช่วยเหลือเรานี่ดีขึ้นไปอีก นะถ้าเราช่วยพระอยะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็น เ, เป็นมีคุณธรรมดีๆยิ่ ง, งขึ้นไปเนี่ยให้พ้นจากความตายเนี่ยเฮ้ยเราได้บุญมากจริงๆเ <Okay. S 1> นะพราะฉะนั้นถามว่ า, าคุณช่วยสัตว์ให้พ้นจากความตายดีแล้วในขณะเดีดยวกันคุณช่วยคนที่มีคุณธรรมสูงสู ง, สงยิ่งขึ้นเนี่ยให้พ้นจากความตายไหมตัวคุณเองพ้นจากความตายไหมนะถ้าคุณพ้นจากความตายได้ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะแต่ได้เป็นอนเนกชาติเนี่ยบุญบุญกุศลตรงนี้มหาศาลพระเจ้าบอกเป็นมหาฐาน เนาะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่เลยนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจึงต้องเน้นตรงนี้นะว่าไม่ใช่แค่ทำความสะอาดร่างกายไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแต่รวมถึงการทำความสะอาดจิตใจด้วยล้างใจด้วยไม่ใช่แค่ล้างท้องล้างกายอย่างเดียว แหมบางคนพูดถึงล้างท้องเนี่ยนะก่อนวันกินเจนี่เขาไปซัดหมูซัดไก่เต็มที่นะเื่อล้างท้องนะแล้วบางก็งงดูล้างท้องประเภทไหนวอย่างไรก็ตามคือล้างท้องแล้วล้างใจไหมอ่านี่คือประเด็นที่ต้องถามตัวเองเนาะเจ้าค่ะซึ่งเช้าวันนี้ในรายการธรรมราบุรุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโน พระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเริเล้นตามพุทธโอษหรือพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็ฝากแง่คิดคําถามไว้สําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นบรรดาพุทธศาสนิกชนนะคะที่เราก็เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันนี้นี่ดูข่าวคล า, าวแล้วก็จะมีคนที่วัยเรียกว่าวัยรุ่นหรือวัยทํางานเนี่ย อ า, อายุต่ำลงเนี่ยมากินเจกันมากขึ้นแต่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโน ท, ท่านก็ได้ถามคำถามไว้นะคะแล้วก็ให้แง่คิดในรายการธรรมารับรุนในเช้าวันนี้ว่าท่านากินเจหรือว่าไม่ไม่เบียดเบียนสัตว์นั้นเนี่ยท่านทำความสะอาดร่างกาย ดีต่อสุขภาพของท่านแต่ท่านก็จะต้องอทำความสะอาดใจิตใจของเราด้วยนะคะซึ่งก็เป็นแง่ที่ดีฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านฟังแล้วก็ต้องฉุกคิดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมราบรุนในเช้าวันเสาร์ที่20นี้จะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้า ตีห้าครึ่งเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในรายการธรรมาราบรุญค่ะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูุ์อภิปุนโนหรือสากัะชาเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเรากลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าตอนเปิดสถานีเหมือนเคยนะคะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบน้มัจจริยาขอพระคุณและกราบน้ำมัจจรลา พระอาจารย์ไทปูนอภิปุนโนและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดที่ทุโตภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันเลยนะคะ ก, กราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารยาา์เจ้าขาเยิญบานสาธุเจ้าค่ะ